เป็นเรื่องฟอกจิตอรมณ์ใจถาหาจะฟังอยู่บ่อยผ็ไม่ค่อยจะมีรสชาติเท่าไรนานๆันางทีรู้สึกว่ารสชาติของธรรมะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องของการฟังธรรมะบางท่านบางคนก็ที่ว่าเสียเวลาสู่ปฏิบัติ อยู่โดดเดียวคนเดียวไม่ได้บางครับางคนที่ไม่มีธรรมะในตัวก็อาศัยคนอื่นแสดงให้ฟังการธรรมะที่การแสดงนั้นก็เหมือนกันกับเราคอยกินคนอื่นทามาให้มันสะดวกสบายกว่าที่เรา คนคว้าหาทาเองแต่ <c oughs> okay. รสชาติที่ก็จูงมาให้ทามาให้จะถูกกับปาของเราหรือไม่นั้นมันก็แ้วแต่รสชาติธรรมะที่กานแสดงไปโดยส่วนใหญ่ก็มีหลายรสหลายชาติที่ไหนที่ควรจะนำมาซิ่นี่ที่เจ อ, เจอาศึกษาทำลายใจตัวนั้น หยิบยกออมาเสวะถ้าแสดงอะไรก็จะนำไปทีนี้พิจาร น, หนาหมดแสดงธรร ม, มะทางปากขอแสดงธรร ม, มะปากปฏิบัติการปฏิบัติขอคือปฏิบัติกายวาจาจิตของตัวเราจะติปฏิบัติที่อื่น กิเเกิดขึ้นจากกายวาจาจิตมรรคผลก็เกิดขึ้นจากกายวาจาจิตทุกคนมีกายมีวาจามีจิตถา้าจิตยังไม่พ้นไปจากอาสวะกิเลสทุกคืนทุกวันมันก็มีเรื่องที่จะเข้าไปสิงตือจิตใจของตัวให้ชั่วให้เสียฉะนั้น ยังมีการเกลีดตาที่เจ้านาสำละใจเหมือนกันกับลานวัดของเรานเนี่ยเราปัดกวาดอยู่ทุกวันทุกวั น, วนถึงกันนั้นก็ยังมีใบไม้หรือความโกลโกปกอื่นๆเกิดขึ้นที่ไม่ได้สำละไม่ได้ปัดกวาดเซอเลยนั่นเป็นอย่างไรนั้น เราก็มองมาคอยเห็นกันเพราะมันรกอยู่แล้วจิตใจพื้นฐานของคนธรรมดาที่ไม่ได้สำลักสาสามันเขา อ, อยู่ในโลกเลื่อยมาในส่วนตาที่เจนาเรื่องจิตก็เหมือนป่าที่ไม่มีใครไปแถวตปทางไปตัดไปกวาดโลกอยู่ตามธรรมชาติพองมันใบไม้มันเลื่นลงมามากน้อยเท่าไรคนไม่ทราวบว่าใบไหนเป็นใบ โลนไม่โลนเสาเพราะมันหนาแน่นอยู่แล้วเลยไม่ทราบไม่ค่อยใจอะไรตกลงไปในกี่นั้นก็หาย้ากถ้าหากเป็นของเล็กน้อยถ้าเป็นของใหญ่กพ อ, ขอมองเห็นนี่คือที่สกโตกี่รกของธรรมชาติป่าดงธงพิตแต่จิตใจของมนุษย์เราก็เหมือนกันคนที่ในมัน สำละจิตใจพ้องตัวถ้าไม่โสดหนักไม่มีอะไรกระทบหนักก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรถ้าะับหนักหนักเข้าจึงค่อยใจว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนี้ไปโดนความรักหนักเข้าไปโดนความรังเกียจหนักเข้า <c oughs> ก็ทราบโลคโก๋หลงเกิดขึ้นหนักแน่นก็ทราบ แต่กัวไม้เดือดร้อเหมือนกิ่งไมใ้ใหญ่ๆหักลงมาก็สทราบว่มามันหักลงมาแต่ใบไม้ธรรมดาสิโตขี่หลดไม่เคยเห็นจิตใจของปู่ไม้ไดำบำเพ็ญสมณะธรรมก็ทธรรนองเดียวกันอย่างนั้นรกอยู่ตลอดวันตลอดเวลากว่าจะําร้าสาสางให้จิตของตัวสะอาดนั้นมันยาก เพราะมันสะสมความสกโปกเสื้อมามาจนระยะยาวนานคนจีปัดกวาดทำละจิตใจอยู่บ่อยๆนั้นจิตใจมันสะอาดอารมณ์สัญญาอะไรผ่านมาหรือเกิดขึ้นมองเห็นง่ายเหมือนผ้าขาวที่สะอาดหงธุรีอะไรไปปิดเปลี่ยนนิดหน่อยผมมองเห็นรานวัดที่สะอาด ใบ ไ, ไม้มันตกมันหล่นลงมาเราก็ทราบกัวเห็นแม้แต่เข็มตกลงไปก็มองเห็นได้พอมันสะอาดธรรมชาติของความสะอาดเ๋ยต้องถูกดูแลรักษาอยู่เรื่อยจึงจะสะอาดได้เรื่องจิตใจของพวกเราก็าทำนองเดียวกันมันสมรละอารมณ์สัญญามานาทิตติต่างๆ ให้ตกให้หลนออกไปใจจึงจะสะอาดไม่อย่างนั้นจะสกปรกโผโ่อมอยู่เรื่อยไปมันมีวันมีเวลาที่จะสะอาดสงบรังนับพออารมณ์สัญญานั้นมันเกิดขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมันไม่เลือกว่าตอนนั้นตอนนี้เหมือนใบไม้ที่มันหล่นกั้งคืนมันก็หล่นทั้งวันมันก็หล่น หลนลงมาอยู่เรื่อยลานวัดีิเราปัดกวาดเอาไว้ถ้าไม่ปัดกวาดอีกวันสองวันมันก็ไม่น่าดูไม่น่าอยู่น่าอาศัยเพราะความสกปกกจะไปจะมาทิ่ใดจะเดินจงกรมก็ไม่ทราบว่าอะไรก็อะไรรกลุงรังอยู่นั้นนี่คือไม่ได้มัดสาณะปัดกวาดถ้ามันสาณะปัดกวาดอยู่ทุกวันทุกเวลา อะไรตกลงมาเราก็ปัดกวัดออกไปเราควรหน่าดูหน้าอาศัยแก่หนังแก่ดนกว่าสะดวกมองดูกาะสบายตาสบายใจเพราะความสะอาดจิตใจที่สะอาดกเหมือนกันพยายามกำจัดปัดเป่าปัดกวั ด, ด, ด, ดอารมณ์สัญญา ที่เป็นภ่าศึกของอัดของทำออกไปให้ใจมันสะอาดใจมันผ่องใสใจมันสุกใจมันเย็นไม่มีใครที่ไหนอื่นเขาจะมาํำระให้เรื่องของใจช่วยกันไม่ได้จะต้องอาศัยตัวของตัวเองหม่่นกำหนดที่นี่ที่จะเรีนารักษาถ้าหากหวัง เ้าหน้าในทางอัดทางทมถ้าจิ่งปล่อยเอาไว้ในสำราษฎร์สางสาสาเราจะอยู่ในสถ า, านที่สงบเงียบวีเวกขนาดไหนแต่ก็ปล่อยใจไหลไปตามสัญญาอารมณ์ในสำราระปัดกวาดจิตใจองตนอารมณ์อะไรที่จอนมาหรือขุดขึ้นก็รับเอาไว้ ถ้าเป็นอย่างนั้นใจมันกไม่สว่างสวัยใจมันก็ไม่สุขไม่เจริญไห้เราเป็นเจ้าของของใจก็เลยเนี่ยสุขไม่สบายตาไปเห็นหูได้ยินขอรับเอาต่างใจเรื่องของกิเลสปัญหาของทางเสียวช้าลามกเข้ามาในจิตในใจในสัมร า, าสาร่างออกไปความจียงเรื่องของใจ อยู่กับปัญญาที่จะดีจะชั่วได้ที่จะเป็นธรรมเป็นโลกเพราะปัญญารักษาใจไม่ใช่ว่า <c oughs> มันดีไปเองมันชั่วไปเองมันจะต้องอาศัยปัญญาสําระที่เหลือปัญหาจะเกิดขึ้นก็เพราะขาดปัญญาไม่ที่จะรดนาสําระใจของตัวตาไปเห็น ถ้าสิ่งที่ชอบก็เกิดความอยากได้โลกในจิตในใจหลงไหลใฝ่ฝันทางในชอบก็รังเกียจในอยากได้เป็นทุกข์ทางจิตทางใจหู ก, ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นจากปัญญาที่จะทำร้าสาสางที่จะเป็นกิเลส ก็เกิดจากทุกปัญญาที่หาปัญญานี้ได้ในพิจารณาแก้ไขเมื่อเห็นที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดอาจเกิดทรรมต้องอาศัยปัญญาพิจารณาในสิ่งหล่า น, นั้นให้เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไปหรือไม่อย่างนั้นก็พิจารณาหาทางแก้ไขว่าสิ่งเหล่านี้ มันเคยมีมา ก, ก่อนแต่เราจังไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีวันนี้จิตใจที่ไปยึดถือติดข้องเป็นจิตใจที่ลหลงไหลจิตใจที่ไร่อาจทำไม่ทราบเรื่องเหล่านั้นตามจป็นจริงของมันมันจึงเกิดการยึดถือติดข้องในสิ่งเหล่านั้น นี่เป็นเรื่องปัญญาที่จะสรวจตาที่จรณาสอนใจของตัวถ้าขาดปัญญาแล้วรูปที่มีอยู่ก็เป็นขาดสึกสตูแฉ่จิตแย่ใจของตัวไปสถานที่ใดใจเลยไม่มีความสุขความสบายให้เพราะเห็นรูเพราะฟังเสียงเพราะถูกดิ่มดิ่มรสสัมผัสใจขาดปัญญาใจใจไกลจากธรรมะ ใจคนนั้นจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวข้องตัวทั้งดีทั้งชั่วมันจะมารุมอยู่ในจิตในใจให้เกิดทุกข์เพราะความรักก็เกิดทุกข์ได้ความเกลียดทังก็เกิดทุกข์ได้ไม่ใช่ว่ามันเกิดทุกข์ตั้งแต่ความไม่ชอบเท่านั้นความชอบก็เกิดทุกข์ได้เพราะใจไปจิตไป่องแจึงให้มีสติแล้วร่องรู้ มีปัญญาแนะสอนจิตใจทุกอย่างถ้ามีปัญญาสําักจิตใจระวังรักษาอ ย, อย่างนั้นสมเหมือนกันกับเราปัดกวาดที่อยู่ที่อาศัยนม่ว่าลานวัดหรือกุฏิศาลาที <c oughs> ่พักาอาศัยมันสะอาดน่าอยู่น้านัง่งน้านอนจิตใจก็ทํานองเดียว ก, กันถ้าเราสำลักอยู่อย่างนั้น มันสะอาดสัญญาอารมณ์อะไรตกมาในจิตในใจเราต้องาําระแกะ ไ, ไข้ดยอาด้ดยธรรมใจก็ไหมหวั่นไหวใจก็ไหมสกปรกไปเด้วยนสัญญาอารมณ์ต่างๆนี่คือการปฏิญญาบัติอย่างจิตใจของตัวถ้าหากไป่ปฏิบาัติปล่อยไว้ จะไปที่ไหนก็ไปจิตใจจะสว่างสวายใจจะเจริญรุ่งเรืองนั้นมันเป็นไปในได้การํำระใจจึงเป็นเรื่องสาคัญโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกนักบวช <c oughs> มุ่งมั่นมาํำระจิตใจมาฝึกนิสัยของตัวให้เป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่บวชเล่นบวชอยู่บวชกิน บวชหลับบวชนอนเท่านั้นบวชเฉื่อยซึมสะแสงจิตใจจิ่เฉ่อยถี่เสียให้ตกออกไปพอนักบวชจิตการงานบ้านช่องไม่มีมีแต่จิตของสงฆ์จิตของนักบวชแล้วก็เป็นจิตที่เบาจิตที่ง่ายจิตที่สบายไม่ได้วุ่นวายกังวล ไม่มีการสะสมอะไรใหญ่โตมีแต่สัมาษาสา์สางจิตใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือนักบวชที่ต่างหน้าต่างตาดูแลรักษาจิตใจของตัวพยายามสิ่งที่ชั่วที่มันติดมันล้องพยายามซักฟอกจิตใจของตัว <c oughs> ให้สะอาดธรรมะของพระพุทธเจ้า สึ่งเป็นสันเลขกากระถาสิ่งที่ควรที่เจณารือนำมาแนะสอนพูดจากันในผ่วงนักบวชสันเลขาหมายถึงการถัดเกลากิเลสตันหาเป็นกระถาที่ควรพูดกันในเทศของสมณนะหรือในเทศของผู่ประพฤติปฏิบัติ ท่านกอกตาเอาไว้อับปิสักตาเป็นผู้มักน้อยการมักน้อยที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ใช่มักน้อยอะไรมักน้อยในอารมณ์สัญญามักน้อยในกิเลสตัณหามักน้อยในธรรมะถ้าคิดไปมากปรุงไปมาก อยากใหญ่อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากเห็นอันนั้นก็อยากเป็นอยากรู้จิตใจนั้นในส ง, งบลา ง, งับให้วิ่งบุ่นด้วยไฟท่านจึงไม่เห็นมากใหญ่ไปสูงในอารมณ์สัญญาต่างๆน า, นานาของจิตของใจเช่นผูบริกรรมผวรีบเร่งบริกรร ม, รรรรรมทำความรู้สึกในทำบริกรรมของตนอารมณ์อื่น เกดขึ้นก็ไม่เกี่ยวข้องผ่านมากมา็ไม่ติดตามตั้งหน้าบริกรรมอยู่นั้นจนจิตสงบลังงับรวมลงเป็นหนึ่งผูกพิจารณนาะสิ่งต่างๆนั้นหนาเหมือนกันพอจิตไปสัมผัสกับอารมณ์อะไรจะพิจารณนาะอันนั้นให้เข้าใจแกมแกนในใจพิจารณนาะสุ่มเดาเอา จนจิตใจเข่าใจในสิ่งเหลนั้นตามเป็นจริงของมันมันจะต่อยจะละจะถอดจะทจะิ้งไม่ยึดไม่ถือในสิ่งนั้นต่อไปถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่ในโลกแต่จิตของทันก็ไม่หลงไหลเพราะความเข่าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงมีอยู่โดยได้รู้ได้เข่าใจ จาัด ก, การที่นี้พี่เจนะนี่คือมักน้อยที่พระพุทธเจ้ า, าสอนถ้ามักใหญ่ไฟสูงอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากนี้อยากมีดิบมีเดียอยากหัวเหินเดินฟ้าคิดไปต่างๆนาะนาะนะอยากรู้ว่ารายจิตของคนนั้นว่ารจิตของคนนี้จิตนอกอูงนอ ก, นอกทางอย่างนั้นทั้งทั้งที่หลับตาเขาอันนะแต่จิตกปฟุงจิตจิตคล้อง มีแต่คํามยากทางการหาคนนั้นจะไม่มีวันสงบลงบับเรื่องมันจะเห็นจะเป็นนั้นมันเป็นเรื่องอุปนิสัยของแต่ละท่านแต่ละคนขอให้ชำระจิตใจคงตนให้สะอาดจิตใจคงตนให้บริสุทธิ์เรื่องเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเองถ้าเรามีวาทนามีบารมีจิตใจสะสมมาก่อน ไม่ต้องยากแต่มันก็เป็นขึ้นเพราะเราสะสมแต่ก่อนมีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นนี่คือความมักน้อย <c oughs> สันโดษในจิตในใจคนที่มักน้อยสันโดษในจิตในใจอย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดมุ่งหน้ามุ่งตาภาวนา สำราญ จ, จิตของตัวไม่ปรุงไม่คิดอยากก่อสร้างอันนั้นอยากแะ่ทำอันนี้มีแต่สําราญจิตสําราญใจของตัวอยู่สถานที่ใดอยู่ได้สะดวกสบายมีแต่ตังหน้าสำระภายในนี่คือผู้ปฏิบัติเกื่อความคนทุกขที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะน้อยเป็นธรรมที่จะควร นำมาที่นี่พี่เจนะนำมาศึกษานำมาปูดจาตารดกันเป็นเรื่องกำจัดขัดเกลาจิเลเมื่อมากน้อยสั้นโ ด, ดในจิตในใจอย่างนั้นการงานเรื่องของโลกก็เบาไปในเดีมุ่งจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ใหญ่ตัวแล้วหัวฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเพราะจิตสงบจิตลังับห้ามกั้นไม่ให้จิตใจปุ้งคิดจิตคล้องไปในทางใหญ่โตที่เจนนะสำหรัแต่จิตของตัวอยู่เรื่อยๆไปนี่คือผู้ศรีมีสันโดษในใจม่มักใหญ่ไฟสูง มีแต่ตังหน้าตัางตาสำลระกิเลสสันสุดธีข้อที่สองคือยินดีตามมีตามเกิดของตัวมันมีอะไรก็ยินดีตามมีตามได้ไม่สแสวงหาเนเกินขอบเกินเขตเสกคติวิหารที่อยู่ที่อาศัยมี เล็กก็อยู่หลังเล็กนี่ใหญ่ก็อยู่หลังใหญ่ไม่ดิก่อสร้างปุงคิดอยากจะก่ออันนั้นสร้างอันนี้ให้ดีให้เด่นให้โดง่งให้ดังมี่จะสร้างจิตสร้างใจของตัวให้ส ง, งบละนับยินดีกับสัญญาอารมณ์ที่มีอยู่ไม่ปุุงไม่ปรุงไปข้างนอก พูดออมาภายในยินดีนกับความเป็นอยู่ในจิตในใจของตัวในไปยึดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นสิ่งของกายมันมีอยู่เท่าไรแล้วก็ยินดีอยู่ในการที่จะนากายของตัวไม่ส่งจิตไปจิตกุงยึดถือในคนอื่น ไม่เห็นอะไรที่วิเศษไปจากกายจากใจของตัวกายของตัวเท่านั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่จะสร้างคุณงามความดีได้กายของคนอื่นเขาจะสวยสดงดงามขนาดไหนเป็นเหลืองของเขาวาสนาของเขาเรามีเท่าไรเราก็ดูเหีืองกายเหลืองใจของตัวอยู่นี้ปูดถึงเรื่องธรรมะ มันเกิดขึ้นแค่ไหนเราก็ยินดีเต็มใจอยู่ในความเจ็นอยู่ของตัวคือตั้งหน้าตั้งตารักษาไม่ให้จิตจิตใหญ่ไสสูรักษาอารมณ์สัญญาของตัวมันยังไม่ดีไม่ดีเศษก็อย่าไปเหวี่ยง่ตั้งหน้าตั้งตา ทำไปตามกำลังความสามารถของตัวมันจะดีขนาดไหนนั่นเป็นผลของการจะ่ทำให้ยินดีในอารมณ์ของตัวที่มีอยู่เราคิดเราปรุงอะไรกใร็ให้ทราบให้เข้าใจนี่คือสันติทียินดีตามมีตามเกิด วัญญามันเกิดขึ้นมาปติมันเกิดขึ้นมาอย่างไรฝ่ายยินดีอยู่ในสิ่งที่มันมีมันเป็นในกายในใจของตนแต่ในละความพยายามในละความเพียรต่างหนาตัณตาทีนี้ที่เจนนาตาณหนาต่างาตาทำละใจนี่คือแสงติดผีภายใน รักษาใจของตัวให้สะอาดอย่าไปโลภมากจิดตึงอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีสันติทีปิดตาสันตดทีจิตใจมันจะเป็นสังขนิกาคือไม่มีการวุ่นวายกังวล การงานและอารมณ์ผู่คนภายนอกมีจิตใจสงบจากสัญญาอารมณ์จากการจากงานจากผู้จากคนภายนอกอยู่กั บ, บวงอัดวงทรรมที่เป็นที่ีที่เจานายอยู่นั้นได้ เ, เกิดเป็นวิเวกแต่ตาวิเวกสงบ ทางกายทางใจ้ามันมือใหญ่ใสสูงอะไรเมื่อมันเป็นยิเรตตายีรยาลำพาความเทียนนั้นก็จิตต่อหนอนเนื่องกันไปอะไรที่เกิดเป็นเห็นขึ้นในจิตในใจเกิดจดจำได้อะไรที่สัมลาษสางตกออกไปก็รู้จักสัญญา อารมณ์ส่วนใดที่มาผ่านเข้าเรายังละยังถอนในหมดก็พยายามละพยายามถอนต่อไปเมื่อมันจินวิิยาลําพาคือปรารบความเพียรอยู่สม่ำเสมอจิตใจในเถอะในประมาทมันก็เกิดศีลขึ้นคือความปกติของใจ ไม่วอกแวก เ, เอียงไปตามเรื่องต่างๆมีความปกติทางจิตเห็นอะไรก็เข้าใจในสิ่ ง, น, งนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันไม่ห ว, วั่นไหวไม่วอกแวกจิตเมื่อมันมวีวิเวกตาวิริยาลำพาเกิดฉินขึ้นอย่างนั้น สมาี่ความตั้งมั่นของใจมันจกเป็นผลพลอยได้เกิดขึ้นหนักแน่นในจิตในใจหรือจะเวียนลงไปเป็นเอกะเทศเป็นอปปนาก็ได้เป็นบางการบางสมัยนี่คือเรื่องของผู้ประฏิบัติทำลายใจของตัวจะต้อง มีทาเหล่านี้ประจำเตื้อเรื่อยไปพอสมาธิความตั้งมั่นของใจยังเรียมให้ถอดถอนสิ้นมาที่เจรนาอะไรจะจะทราบจะเข้าใจในสิ่ ง, งนั้นสิ่งที่เราเคาเาสายสงสัยในจิตใน ใ, ใจแก้ไขในหลุดไม่ออกเมื่อปัญญาเพียงพอกว่าสามารถฝ่าฟันความาสายยางสัยเหมนนั้น ให้ตกให้หายเจได้เนื้อปัญญาสามารถอาจหันกำละงภาสาอารมณ์ปัญญายิ่เดือดปัญหาให้ตกขาดออกไปมันก็เกิดวิมุตขึ้นในจิตในใจคือความพ้นไปจากความเสื่อสัยความพ้นไปจากอาชวะภายในโดยไม่มีใครมาบ่งบอกแต่เรารู้เราเขาใจ ใครจิต ท, ที่มีสมาธิมีปัญญามีธรรมะในตัวนั้นมันเห็นมันเป็นเลยเราเราจึงทราบแต่ก่อนถึงแต่ายละเอียดในทางปัญญาแต่จิตใจที่พ้นไปจากกิเลสปัญหานั้นมันยังไม่ไปจับชัดเจนในตัวของตัวยังเกิดแสงไฟลังเลว่าอันนี้ มันขาดไปยิงได้ไหมหรือมันเป็นอย่างไรเหนือมันพอในเรื่องของมันมันเกิดวิมุตติมุติที่เราเคยใช่กันเคยเห็นเคยเป็นในใจมันตกออกไปวิมุตติความหยุดพ้นนั้นขาเป็นแต่ทางทางิมุติก็อยู่ในขั้นของสมาธิเชืกิจเรียนจนเป็นหนึ่งมันก็ดับระงับไปได้ ขามันเป็นสมมุดเก็บปีมุดแล้วถึงมันจะเรวมหรือไม่รอมมันก็ทราบก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรอีกที่จะสร้างรักษาสางไม่มีอะไรอีกที่จะบ่งเพลนให้เห็นให้รู้ยิ่งกว่านี้ถึงจะไม่มีฤทธิ์เดชเจิงศาสขนาดไหนก็ตามแต่ก็มีฤทธิ์เดชําระขีดเดชปัญหาภายในจิตในใจของตัว ความยากในจิตในใจส well. ึ่งเคยอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ในทางริททางเหล็กมันจะตกไปเพราะเหตุใดเพราะริมุดนั้นนม่ไม่อยู่ในวงของสมุดที่เราเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนจึงทราบจึงเข้าใจในตัวของตัวเองเนี่ยมันเกิดิมุดริมุดสิยาณะทัตจนะ เม่อจิตหรือ้นจากกิเลตปัญหาญานก็อย่างรู้ว่าจิตของเราไม่ใช่จิตธรรมดาไม่ใช่จิตที่จะควรสำลักแก้ไขอีกมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นโดยไม่ต้องไปหาคนอื่นมารับรองหรือไม่หาประกาศนิยบัตรมาจากที่ไหนนี่คือการสำลักใจการจะทําจิตการบําเพ็ญ ปฏิบัติในทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทางหากมันวกออกไปจากสิงเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะเข้าถึงไม่มีทางที่จะเห็นจะเป็นจะดีจะเด่นได้ทำทั้งสิทรประการที่ทา่านกล่าวเอาไว้ต่างแก่อภิปตตาตสันปิตถีแสงชมิกาวิริยลัม วิเวกตาวิทยาลัมพาวิปสมาธิปัญญายินิวินิจวิญญานทัศนะนี่เป็นกัตถาที่เราควรวินิจวิจารนเป็นกัตถาที่เราควรพูดกันควรพูดแม่ออกไปจากนี้ท่านถือว่าเป็นปี ร, ระสานกถาเป็นกัตถาที่เราควรพูดควรจา ดไปแล้วทำห้ใจหลงไหลไหว้ฝันทำห้ใจเใใจม่าเมาทำห้ใจเิด็จชี้ลึกแต่จึงห้ามตามเอาไว้ในควรจะพูดพอคือพูดเูด็จไปคือฟางก็หลงไหลเสด็เคลื่อนไปตามทาพูดหย่านั้นเป็นทางที่ท า, ทาจิตทาใจ ห, ห่างไกลจากมรรคผล คนที่ดำเพนตนอยู่ตามเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนสือสันเลขาปัญหาทั้งสิลปการนี้มีโอกาสมีเวลาที่จะพ้นไปจากที่เหลือปัญหา ข, าขาไใคมันแต่ทพื่อต่จีดัดกันล้าใจของตนอย่างที่ท่านแม่สอนเอาไว้ไม่มีใคร ที่จะพาจะผิดจากมักจากผลอันนี้จิตของเราในต็นอย่างนั้นในนันทาราสาสางมีคว า, า, า, ามอยากอย่างนั้นมีความอยากอย่างนี้มาอยู่ในวงท้องอัดโค้งทำอยากใหญ่ไฟสูงในสันโดดทิจารณาอันนี้อยา ก, ยากจะพิจารณาอันนั้นยิ่งวุ่นไป หมายถึงเรื่องของใจที่ไม่มีอภิปตตาคือความมักน้อยในจิตในใจมันไสไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบเลยเฉียดเนื่อมันเป็นในจิต ใ, ในใจแรงขึ้นมามันก็ออกมาทางวาจาพูดคุยกันไปแล้วก็กระทำไปในสิ่งที่มันชอบ มันปรุงหนนนั้นสาหัดห้ามเอาไว้มีใจเป็นอภิส ต, ตามักน้อยมีสันติถียินดีตามมีตามเกิดของใจแล้วคนนั้นสุขคนนั้นสบายไม่วุ่นวายแต่เป็นวินริยะตาเป็นศีลเป็นความเทียนไปได้ นี่คือการแจกไขจิตใจการดูแลจิตใจของตัวการชำระใจของตัวเดี๋ยวเราทุกวันนี้ก่วนจะมีหน้าที่การงานอะไรเรามาบวชมาปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมใจของตัวไม่ใช่มาบวชเพื่อเล่นเพื่อเทียนนักบวชกวดีคารวส ผู้ไม่มุ่งมั่นในการปฏิบัติสวดีค้ามแก่ทําตายนั้นมันไหลเท่าในใจของตัวอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยป่าละเลยเราเราจะประมาทหรือจะทำความเทียมอยู่ค้ามแก่มันก็ไหลมาอยู่ทุกการทุกเวลาอย่างนั้นอายุของเรากี่ปีแล้ว ทางหน้าจะมีอีกปีๆเราจะถึงสิ่งความตายสิ่งที่เราได้เราเห็นเราเป็นในใจนั้นมีอะไรบ้างตรวจตาพิจารนาไหมแต่เตรวจตาพิจารนาบ่อยถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้ปล่อเล่ยเล่ยทําความเทียนทางจิตทางใจอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจา้าสอนนาตรวจตา จิจาราอยู่ในเลือดเมืจิตเห็นจิตเป็นในอัดในทำรรถึงวันเวลาจะผ่านไปมันจะแก่ไปจะเป็นเรื่องสัขงขารหลังกายเหวนใจก็แก่ไปในอัดในทำแก่ไปในการชำระสาสาริเหวินแก่สุดคือถึงอีมดกาย ยังไม่แก่ถึงที่สุดยังไม่ตายแต่ใจก่ตายสำลักสาสางกิเหตปัญหาหายไปใจสุขใจสบายใจเย็นเู้เห็นเรืองอัดทำทำเกิดความตายพบชาติต่อไปมีในใจไหมเราทราบดีว่าไม่มีอะไรที่จะก่อพบก่อชาติอีกได้เพราะใจหมดใจขาด จากอาสวะทราบคอยใจจากตัวของตัวเองอย่างนั้นท่ำจึงสุขจึงสบายเหนือเวลาตายเป็นแต่เว้นใวายจากจะมีอายุยืนยงคงอยู่เหนือเวลาดูจะไม่มีอะไรทีจะมารบกวนจิตใจที่บริสุทธินั้นให้เสียหายขุนมัวไปอีกนี่คืออานิสงส ที่ผู้ปฏิบัติตตจะต้องเห็นต่อเป็นในตัวถ้าไม่เห็นในเต็ถ้างอัตชังทําแล้วการบวชถือว่าเป็นของยากของลาําบากเพราะตามีก็ไม่เห็นดูสิ่งที่ตัวชอบหูมีก็ไม่ฟางสิ่งที่ตัวชอบบังคับปิด หิจตาทั้งหูตาดีๆกําทำจนตาบ อ, อดหูดีๆก่าทำ็นหูหนักหูหนวกไปมันจุลันบ า, า, เาทเพราะใจของเรา่าดโยมีอาตมุธรรมมันจนอย่างนั้นถ้าหากมันมีอาจมุธรรมมันสุขมันสบาเใเหวนสิ่งนั้นก็เห็นสิ่งนี้แพ่แทนจิดแข่งแต่แค่ใครมาเห็นอัตเหวิงธรรมเขาไม่ทราบ อย่างความจริงในสิ่งหนึ่งนั้นแค่จึงหลงไหลใส่ฝันถ้ า, าเขาทราบความจริงแล้วจะไปหลงไหลอะไรกันแค่สิ่งหนนั้นยูก่กับสัจจะยู่เท่านั้นตาเห็นกับสัจจะเห็นไม่มีอะไรที่จะใส่ดีให้เชื่อนอกจากจิตไปหลงไหลถ้ามันชอบกว่เกิดความยินดีถ้ามันไมช่ชอบกวเกิดความยินร้ายมันนี่เท่านั้นโลกอันนี้ มันหนูมีอะไรการชำระใจจนเป็นเรื่องสำคัญชำระได้แหละอยู่เป็นฝุกโอกาสเวลาที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนจึงเป็นกลุ่มมีโชคลาภมีอำนาจบาทธนาที่จะชำระจิตใจท่องตัวสะดวกสบายไม่ต้องไปวุ่นวายอะไจะมนีม่อยู่มีกินหรืไม่จะมีช้ามีฝอยหรือเปล่าไม่ต้องไปคิด ขอให้ปฏิบัติจิตของตัวอยู่ในวงอจัจวงทรทร ม, รรมจะต้องรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดยยอยากจนจะต้องมีคนมาเลื่อมสายมีคนมาบูชาเพราะเรามีธรรมในจิต ใ, ในใจถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นสร้างหน้าตางตาเดินจงกลมภาวนาละทีเลในทรงจิต ปล่อยใจไปตามเรื่องของโลกมีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวอยู่อย่างนั้นมันสุขมันสบายมีอะไรก่อนใช้ไปฉันไปตามธรรมดาพอจะนึ่งจะหม่มจะอยู่จะกินอะไรดุดีวิเศษมันก็ไม่ใช่ว่าีิเลษมันจะกลัว ไม่ใช่ว่าร่างกายมันจะไม่แก่ไม่ตายมันจะต้องแก่ต้องตายเหมือนกันคนดีหนึ่งดีกินดีนอนดีแล้วก็ตายก่อแก่คนที่ไม่ดีหนึ่งดีกินดีนอนดีมันก็แก่เหมือนกันเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจิตใจมันเลยไม่ล้มไหลไม่เพื่อเพลินไปทางใหม่นี่แต่ตั้งใจ ดูเรื่องของใจอยู่ตลอดเวลาว่ามันเกิดกิเลสตัญหาหรือมันเกิดธรรมะขึ้นวันหนึ่งๆคืนหนึ่งๆตรวดตาที่เจนาภายในใจของตัวอยู่เรื่อยๆเหมือนใจถูกสราภาระ ส, าสาังมีเรื่อยๆอย่างนั้นความสะอาดของใจความหมดไปของกิเลสมันค่อยหมดไปตกไป ใจจะผ่องแ จ, จะใสใจจะสะดวกสบายใจจะสุขจะสงบจากอารมณ์สั้นยามีตาก็ไม่เป็นคิดมีหูก็ไม่เป็นคิดถึงจะพูดไปทำถ่าิจิยาหน้ากลัวขนาดไหนแต่ใ จ, ใจก็ปกติไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหนึ่คือการฝึกอบรมใจ ในพอถึงอาจทำมันเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นจึงไม่เชื่อว่าท่านทำท่ายจิตญาอย่างนั้นคงจะโกรธคงจะเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจสงสัยในใจเพราะใจของเราจะไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากเห็นเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะทําไปตามสมมติอยู่ในโลกจะต้องทําไปตามเรื่องของโลก ถ้าหากไปขัดของจากทำนี้ในพอทำไปได้ทาไปเพราะกายส่วนนี้ขันส่วนนี้เป็นเรื่องช้ายในเรื่องัองโลกแต่ความบริสุทธิ์ที่เหนือโลกที่ว่ามิมุตนั้นอะไรผู้ประพัติปฏิบัติที่รู้เห็นเจนขึ่นในใจเท่านั้นจะทราบเจน่านาต่างตาฝึกรักษาปฏิบัติใจของตัว พระโอกาสเวลาสถานที่จะไมีอะไรยุ่งเหยิงทุกสิ่งทุกอ่างเข้สงบระงับแม้จากเสือของเราแถวนั้นคือไปเกี่ยวข่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องเขาวุ่นเสียงกลิ่นรถชายแม่หรือชายใน่ายของตัวเองต่า ง, า ง, ง, าอองาถ้าหากจิตใจสงบระ ง, งับ ทุกส like ิ่งทุกอย่างไม่นก็สงบระงับไปหมดอยู่จิตใจในสงบระงับให้โดยไปถือว่าสิ่งนั้นมันอย่างนั้นสิ่งนี้มันมันเป็นอย่างนี้มาลบกวนหยุดเสียงกิงแล้วมันมีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรแต่ไรย่ำไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นผีหลงไหลไฟสั่นในสิ่งเหล่านี้ตายไปนับไม่ถ้วน เราเคยหอ่หอผิวหาบห่อมสุ่ไหนี้เดีได้เราเยียงไหลใส่สันกับถนองเดียวกันกับเขาแล้วะมีอะไรที่จะได้ไปของแผ่นดินของโลกมันจะอยู่กับแผ่นดินกับโลกเรืยไปหรือมันจะแปลสภาพไปอย่างไรก็แปลสภาพลงไปคือธาตุเดิมทั้งมันไฉนั้นขอให้พวกเราหันที่เจ้านะหันตามจนสิ้ อย่าไปหลงไหลใส่ฝันอย่าเชื่อขี้เล่อ์อย่าเอาขี้เล่ห์เป็นศาสตราเอาธรรมะของพุทธเจ้าเอาสติปัญญาทำล า, ายใจอย่าไปเอาเรู่เสียงเรื่องราวต่างๆมาทำลายความพอของใจความสมบูรณ์ของใจจะต้องอาศัยเรื่องธรรมะ หากอาศัยอย่างเหลี่ยกันหาไม่มีเมคอมีเท่าไราก็ยิย่งอยากมีรันอิ่มเราจะต้องเก็บจำเอาวไว้ที่จจใจแก้ไขใจทั้งตัวนอย่างนั้นแต่ไม่มีรันมีเวลาถึงเจนค่าเจนเงินก็จ น, น, น, น, น, น, น, น, นต่าของพระทั้งนึงจิตใจต่อตัให้ไม่สงบให้ มีแต่แต่ริมาณของพะแต่้นณภาไม่มีฮะนับหมื่นนับแนนสนเลยได้จะะแจ่จิตใจใจเสียสบายแต่ไล่เสียตัณหามันยากคือย่างไรแต่ตามคนอื่นเขาเสียเขาเสียเขา เ, เ, ขา เ, ขาเอวงจะได้รับทุกข์รับโทษเราเสียเราเสียเราเอวงเป็นผู้เป็นทุกข์เป็นโทษ ไลาไปต้องชำระตั่ยวของตัวเราดีเอาตั่วรอดเป็นยอดคนในจองไปกังวลกับเรื่องอืนอ่นต่างหน้าต่งางตาภาวนาละกิเลสอย่าไปคิดเรื่องนอกยิ่งปเรื่องกิเลสในใจของตัวให้ถือว่ากิเลสเป็นเรนเป็นไทเป็นศัตรูใหญ่สำหรับมรรคสำหรับผล ถ้า ห, กหากเราละลึกได้เข้าใจถึงเรื่องของธรรมอะมันก็อยู่สะดวกสบายปฏิบัติง่ายพราเราทราบสิ่งที่เชื่อที่เสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเราไม่นำมาบริโภคเราไม่นำมาเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เดี๋ยวมาเป็นที่เป็นภันยในจิตในใจของเราเมื่อเราไปเกี่ยวข้อง ยุ่งเหยิงกับเขาไปยึดไปถือเขาเราจึงเกิดทุกข์เกิดโทษทีนี้พี่เจนาสำระใจของตัวอย่างนั้น <c oughs> วันคืนที่ผ่านไปถ้าหากเราสำร ะ, ะสสางใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพ ร, ระพุทธเจ้านับวันนับเทียนที่จะสะอาดสงบลังนับดับที่เล็กไปนี่การปฏิบัติธรรมะการศึกษาธรรมะ อย่าไปมองเห็นว่มมาธรรมะอยู่ที่อื่นศีลอยู่ที่อื่นสมาชิกอยู่ที่อื่นปัญญาวิมุตต์อยู่ที่อื่นให้เห็นว่าอยู่ในตัวของตัวแถานั้นนี่เรียักาหาก็เหมือนกันหากไปเห็นอยู่ที่อื่นแล้วมันมีวันเวลาที่จะทาละขาดได้พยายามที่นี่ที่จะาศึกษาปฏิบัติกายว า, ายใจของตัวนี่คือการปฏิบัติ